หลวงพ่อไปอินโดนีเซียทั้งที่พุทธศาสนาเขาหมดไปนะแล้วมีครูบาอาจารย์เข้าไปฝึกใหม่อีกเขามานั่งมากๆพร้อมๆกันเนี่ยอาราธนาอาราธนาศีลเขาก็พูดพร้อมกันอาราธนาธรรมเขาก็พูดพร้อมกันอาราธนาปริศเขาก็พูดพร้อมกันแล้วก็เชิญชุมนุมเทวดาเขาก็พูดพร้อมกัน โอ้โหหลวงพ่อไปเห็นพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยนะเสียงดังพร้อมๆกันเออหลวงพ่อว่านี่แหละเมืองไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนานร่างเดิมมีแต่ให้หัวหน้าพูดหัวหน้าพูดมอนอมแมแล้วก็จบแต่ที้ต่อมาถ้าหัวหน้าไม่มาเนี่ยเอาอยัางไงมองมองหากันเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ฝึกเอาไว้ถ้าเราฝึกไว้อย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งนะถ้าหัวหน้าไม่มาพวกเราก็พร้อมกันพูดได้เนี่ย แต่ตามไม่จริงญาณชุมนุมเทวดาเนี่ยสมานตาจักกวาเรสุอันตรคชันเนี่ยตามไม่จริงเป็นหน้าที่ของญาติโยมนะอย่างประเทศพมา่าหรือสิงศรีลังกาอย่างเนี้ยเขาจะพอพระจะสวดพระปริตาเนี่ยเขาก็ชุมนุมเทวดาญาติโยมเป็นคนพูดท่านก็ไม่ได้ให้พระแต่เมืองไทยของเราโยมก็ไม่คล่องแคล่ว พระก็เลยพูดพอพูดเลยเป็นหน้าที่ของพระไปแต่ตามไม่จริงงานบางทีงานคณะสัตยาญาติโยมงานทําบุญบ้านงานทําบุญวันมงคลอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนาเรียกว่าเชิญเทวดามามาฟังเทศมาฟังธรรมมาฟังพระปริศกับพวกผูงฆ่าด้วยเทิน เ, เชิญพญานาคพระยาโุตธอีก อินพรมเทวดาทุกขั้นมาร่วมฟังพระปริตตมงคลกับพวกพวกฝูงข่าคราวนี้โดยเทินอันนี้คือเจ้าภาพเป็นผู้เชิญมันจึงจะถูกอันนี้พระสงฆ์เป็นผู้พวกเรานิมนต์พระสงฆ์มาสรุปแรกเลยคือพระสงฆ์ก็เป็นแขกใช่ไหมล่ะแขกมาในงานเพราะโดยทั่วไปแขกเชิญแขกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เจ้าภาพเชิญเพราะนั้นพวกเราน่ะฝึกขัดไปนะคณะทา ญ, ญาิโยมนะ ใ ห, ให้คล่องแคลวเอาไว้อย่างวันนี้ที่มาในงานของหลวงพ่อของเราเนี่ยพวกเราก็พร้อมๆกันาราธนาศีลาราธนาธรรมาราธนาพระปริษและก็เชิญเทพเจ้าเหล่าเทวามาร่วมฟังพระปริตมงคลพระสงฆ์ที่มาสวดในมนในงานในวันนี้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่ง ที่พวกคณะศรัทธาญาติโยมมาจากญาติโรทิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงทานฮะโรงทานพี่น้องประชาชนมาตั้งโรงทานทักอกตั้งใจมาจากญาตรุรทิดมาตั้งโรงทานาเพื่อเลี้ยงแขกพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานแล้วก็มีโรงทานเตรียมไว้เพื่อจะทําบุญถวายพระสงฆ์วันพรุ่งนี้นับว่าเสียสละพวก ท่านพวกเราท่านทั้งหลายเสียสละอย่างมากๆได้พร้อมลูกหลานพี่น้องได้มาทำบุญในงานครอบครอบวันเกิดของหลวงพ่อของเราหลวงพ่อของเราปีนี้อายุหกสิบปีแล้วนะพรรษาสามสิบเก้าอายุสี่สิบละโอ้หลวงพ่อลดไปปีหนึ่งว่ะ หลวงพ่อลดเครดิตลงหลวงพ่อของเราปีหนึ่งเอ้าสี่สิบนะหลวงพ่อของเราพรรษาสี่สิบปีนี้อายุหกสบนะเป็นปีที่สำคัญยิ่งท่านจึงนิมนต์ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมผลรู้สึกว่าโออุ่นนาฟ้าข้างหลวงพ่อขอขอบบุญขอบคุณแทนหลวงพ่อของเรานะพอหลวงพ่ออยู่ใกล้ไม่นะหลวงพ่ออยู่ใกล้ไมหลวงพ่อประกาศว่าขอบบุญขอบคุณ กับลูกหลานเป็นอย่างมากที่มาร่วมการทําบุญกับหลวงพ่อในคราวนี้ขนาดอยู่ภูผาป่าไม้สูงชันขนาดนี้คณะจัตย า, ายังจัต ย, ยาญาติโยมยังดลดันมาจากจากตุวทิศจากเหนือจดใต้ตามที่หลวงพ่อเราก็ได้ไปทําคุณประโยชน์หลวงพ่อจิวัตรของเราไปทําคุณประโยชน์ทุกหัวและแห่ง ให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาดโยมสมควรเยี่ยงละ่ะพวกเราจะต้องได้ช่วยกันมาแสดงมุทิตาสักการะในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมร้นที่นี่นะตั้งใจฟังผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด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 ทำจิตใจให้สงบให้นิ่งและจะเกิดกันเอาความสงบความสงบความนิ่งของใจนั่นแหะนำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะ น, นั้นการฟังเรามองข้ามไม่ได้เราไม่ใส่ใจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไร รักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการฟังเป็นหัวใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นขราวนี้เราฟังได้ความรู้อย่างหนึ่งขราวหน้าฟังอีกได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งหลายครั้งต่อหลายหนความรู้ความรอบคอบของเราก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราเพราะนั้นการฟังเราจึงมองข้ามไม่ได้ การฟังเป็นสิ่งจำเป็นและสําคัญผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาต่อนนี้ไปตั้งใจฟังเทศหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภทนิยกถานะโมตัสสะปะกวะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอตุสับบางสุมังคารังรักขันตุสัพบะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะโสตถิโหนตุนิรันตรังติติ วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะสัทธ า, าิจะมาจากจ่าตุรทิศ ต, ตั้งเหนือจดใต้ออกจดตกมาทุกแห่งหนได้มาร่วมงานหลวงพ่อจิรวัติของพวกเราหรือท่านได้รับตำแหน่งทางฝ่ายบ้านเมือง ท่านเป็นพระครูวัชระธรรมาจารย์พระครูวัชระธรรมาจารย์คือตําแหน่งคือยศของท่านที่เป็นพระครูแต่หลวงพ่อเนี่ยเรียกแต่หลวงพ่อจิรวัตรที่เป็นสหธรร ม, มิกของหลวงพ่อแล้วก็เป็นผู้ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับ องคหลวงตาและก็เป็นกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขององคหลวงตาประชุมกันทุกครั้งก็ได้ไปร่วมกันออกความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมเดี๋ยวนี้กำลังมีเสถียรสถานีวิทยุเสียงธรรมกำลังมีปัญหา ข, ข้อนี้ขอให้พวกเราคณะัต่าญาตโยมให้ช่วยกันคิดให้ช่วยกันฟังและก็ให้ช่วยฟัง คณะสงฆ์ที่เป็นศิทธญาณุสิทธิ์ขององค์หลวงตาจะบอกกล่าวให้แก่พวกเราและก็พร้อมกันพวกเราก็ได้รวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตาที่ท่านแสดงไว้ต่างกลา่าวต่างวารรคตั้งแต่เริ่มแร ก, กที่ท่านยังเป็นเทพาท่านยุทเทศ็จแสดงธรรมอยู่ในเทพม้วนกลมสมัยก่อนจากนั้นพวกเรากําลังรวบรวมเข้าฮาร์ดดิสต์เก็บไว้เป็นคลัง คลังธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วก็พร้อมกันก็ม้วนทีวีที่ไปนในแสดงธรรมในที่ต่างๆในช่วงที่หลวงตาไปแสดงธรรมเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติช่วงนี้หลวงตาออกไปแสดงธรรมและกัทีวีช่วงนี้มีมากธรรมเทศนาของหลวงตาท่านคําพูดของหลวงตาจะหาที่ไหนได้ยากเพราะฉะนั้นพวกเราในธนสิทธิ์กรรมการมูลนิธิ มีหลวงปูป่บุญมีเป็นประธานและหลวงพ่อเป็นรองหลวงพ่อจุดทรมเป็นรองสองจากนั้นกับกรรมการหลวงพ่อจุดใจเป็นเลขาธิการที่ดูแลมูลนิธิของหลวงตาแต่ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงนี่ก็เป็นทุกท่านเป็นประธานอุปถัมภ์มูลนิธินี่แหละพวกเราไม่ได้เนียงดูได้ถ้าเขาว่าพวกเราไม่ได อยู่ทั้งนอกพวกเราก็คงจะไม่ได้คิดอะไรแต่นธรรมเทศนาของหลวงตาพวกเราถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่ามีอุปนิสัยมรรคนิพพานยังมีหยุดกับหัวใจลูกหลานเหล่านั้นก็จะได้ศึกษาได้ค้นคว้าศึกษาในธรรมเทศนาของหลวงตาที่หลวงตาในแนะนําสั่งสอนมีทั้งรูปมีทั้งเสียงจากนั้นพวกเรานั้นจะได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ต่อเขาเหล่านั้น จะเดินทางสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะนั้นพวกเราที่เป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นใหญ่เราเห็นคุณค่ามองเห็นคุณค่าธรรมเทศนาของหลวงตาพวกเราจึงได้เก็บรวบรวมทั้งหมดที่แรกกะไว้ประมาณหลายล้านเหมือนกันนะทั้งห้องเก็บของเราเราจะเก็บให้อย่างดีตู้ไม่เป็นห้องแอร์อย่างดีอีกต่างหาก เพราะว่าหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วท่านไม่มาท่านไม่กลับมาพูดอีกแล้วจบแล้วเพราะนั้นพวกเราควรจะเก็บรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมดไว้ในฮาร์ดดิสให้เกิดประโยชน์แล้วก็เก็บไว้หลายๆแห่งด้วยจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระมหากรตปะก็ประชุมสงก็เรียกให้พระสงฆ์รวมกัน จากนั้นก็สังฆานารวบรวมหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ากลุ่มไหนจะท่องพระวินัยแบ่งเป็นพักเป็นพวกกันแต่ไม่ใช่แบ่งเป็นพวกเป็นพวกทะเลาะกันนะท่านแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกกันกลุ่มนี้ให้รักพูดเกี่ยวกับวินัยให้ท่องสาธยายเกี่ยวกับวินัยกลุ่มนี้ให้ท่องสาธยายเกี่ยวกับพระสูตรกลุ่มนี้ให้ดูแลเกี่ยวกับพระอภิธรรม นี่แหละท่านแบ่งกลุ่มกันจากนั้นก็ย่อยกันก็แบ่งเป็นกลุ่มกันแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ของเขาเจริญมากเขาก็เอาอัดเขา้าฮัตดิสเลย เ, เราไม่ต้องได้ท่องบนทัศน์ยายใครจะเปิดฟังก็นะข่อย อ, ออกมาเป็นคลังเป็นคลังธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยอันนี้พวกเรากําลังเก็บอยู่นะคณะรัตยาติโยมทุ ก, ท, กทุกท่านนะให้รับทราบเอาไว้เนี่ยเราไม่ได้นิ่งดูดาย ธ ร, รมเทศนาของหลวงตาจะเกิดประโยชน์ต่อไปภายภาคหน้าอย่างมากเพราะหลวงตาในท่านได้ทางปริยัตคือการเรียนท่านก็ได้เป็นมหาปฏิบัติท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นถ้าให้สเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านประกาศตนของท่านเองจากนั้นพร้อมกันเมื่อท่านหลวงรับไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนขององค์หลวงตานะ พวกเรากําลังรวบรวมเนี่ยหลวงพ่อจิรวัตรในองค์หนึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดูแลพระธรรมคําสอนขององค์หลวงตาอยู่ด้วยกันมีหลายๆองค์ที่เป็นจิตยา่อวนจิ์ของหลวงตาที่ดูแลพระธรรมเทศนาหรือว่าทำคําสอนของหลวงตาเพราะนั้นเรื่องวิสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ดีถ้ามีใครเข้ามา เกี่ยวข้องพวกท่านเหล่านี้จึงออกมาปกป้องปกป้องคุ้มครองอยากจะให้ธรรมเทศนาของหลวงตาอยู่คงเดิมให้อยู่ในสภาพเดิมขณะที่หลวงตาอยู่มีชีวิตอยู่อย่างไรพวกคณะกรรมการเหล่านี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมเทศนาของหลวงตานี่ไม่เป็นผิดเป็นภัยมีแต่ให้คุณต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมสถานีวิทยุของหลวงตา ก, ไไกไ็ไม่ได้สแสวงหาผลกําไรไม่ได้แสวงหาประโยชน์ไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์หาทุนหาเงินเข้ามาถ้าว่าทำบุญก็คือทําบุญบอกกล่าวก็ธรรมดาบอกกล่าวให้พกคณกศรัทธาแยบยลเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็จากนั้นก็ธรรมเทศนาของหลวงตาเป็นธรรมะเป็นธรรมะล้วนๆพวกเราหาฟังได้ยากอย่างธรรมเทศนาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆในยุคเก่า พวกเราไม่เคยเห็นหน้าท่านไม่เคยไปวัดของท่านแต่พวกเราได้ยินธรรมเทศนาเสียงหลวงปู่ล้าเสียงหลวงปู่สิงทองเสียงหลวงปู่ชาเสียงหลวงพ่อพุทธเสียงหลวงปู่ฉิมเสียงหลวงปู่ฟัน่นเราจะได้ยินจากธรรมเทศนาหรือว่าสถาณิวิทยุขององค์หลวงตาคนนั้นถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานได้มาเกิดมาในพบนี้ชาตินี้ไม่เสียเที่ยวเกิด เราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนในยุคไหนสมัยไหนเขาก็อยากได้บุญทั้งนั้นในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีลูกเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นคนมีเงินมีฐานะแต่พ่อแม่ก็จากไปท่านก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาแทนตระกูลท่านก็ท่านก็เป็นมาพบถ้าจะเปรียบเทียบกันเนี่ยชี้ต้นชี้ต้นก็นเหมือนกับหลุง พ่อจิรวัตยอยู่อย่างนี้นะ เ, เขาเขามากราบท่านอาจารย์ครับผมเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาจะทํำยังไงผมจึงจะได้บุญมากแต่คือเขาได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าหรือได้อย่างน้อยก็อาจารย์แนะนำสั่งสอนบุญอย่างนั้นนาะบาปอย่างนี้นะนรกอย่างนี้นะสวรรค์อย่างนี้นะทำดีได้บุญอย่างนี้ทําชั่วได้บาปอย่างนี้นะ เขาก็เกิดจดคาเลื่อมใสในคําพูดของอาจารย์ของเขาคำว่าชีต้นให้า้าว่าเป็นครูบาอาจารย์เบื้องต้นของเขาแต่นี้นเขาก็ถามว่าท่านอาจารย์ครับผมจะทํายังไงจึงจะได้บุญมากอาจารย์เออท่านอยากได้บุญมากก็ทํา ท, ทานเถ อ, อพอสมบัติของเราก็มีมากพอได้จากทานแต่ก็ต้องแบ่งนะต้องแบ่งทานนะไม่ใช่ว่าจะมีเท่าไหร่ทําบุญทำทานทั้งหมด อ, อ, อันหนึง่ง แบ่งไว้สาหรับทำมาค้าขายเราจะแบ่งไว้เท่าไรอา่าเราก็แบ่งเอาไว้แบ่งอันที่สองก็คือแบ่งสำหรับครอบครัวของเราบริษัทบริวารของเร า, เาที่เราจะใช้เท่าไหร่และก็แบ่งทำบุญทำทานเสียสละบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาถาวายปัจจัยสี่พระสงเนี่แหละถ้าทำได้อย่างนี้แะบุญนะเป็นบุญเป็นกุศลจะคุ้มครอง เพราะทำบุญทำทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากบุญกุศลเกื้อกูลนนท์แล้วทำมากค่าขายก็จะเจริญคนได้เป็นบุญไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเขาก็เชื่อเขาก็แบ่งเงินเป็นส่วนๆจากนั้นเขาก็บริหารครอบครัวของเขามิตรความเจริญเขาก็เอ้ท่านอาจารย์ผมทำบุญแล้วผมมีความสุขใจมากแลวผมจะทำอย่างไงจึงจะได้บุญมากกว่านี้ ทางอาจารย์ก็บอกเออรักษาศีลนะสาหรับครวะอย่างเราเนี่ยก็ควรจะรักษาศีลห้าถ้ามีถ้ามันมีว่างอาพอจะ ร, รักษาศีลอุโบสถได้ก็รักษาศีลอุโบสถเอารักษาศีล้านี่แหละเป็นพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ของเขาเนี่ยะทให้จิตใจของเราไม่กระเพื่อมและไม่ไม่มีพิษมีภัยกับใครอีกต่างหากเพราะเราเป็นผู้รักรักสรวมกายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่าสินว่าจ่าเราก็ไม่ดา่าไม่เกาวไม่ดูถูกเยยดยามงคนอื่นเขาใครมาอยู่ใกล้เราก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมาอยู่ใกล้ผู้มีสินเขาไว้เนื้อเชื่อใจเนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลมีทั้งทานมีทั้งสินด้วยก็โอ้ดีละจากนั้นเขาก็รักษาสินรักษาศินแปดรักษาสินห้า 5, แล้วก็รักษาสินแปดเป็นบางครั่งคาว จากแล้วก็มาถามเอ๊ะท่านอาจารย์ผมก็มีความสุขจริงๆในการรักษาศีลแต่ผมอยากผมจะทำยังไงจึงได้บุญมากกว่านี้ท่านอาจารย์กขาอืมถ้าจะได้บุญมากตัดภพตัดชาติเข้าสู่นิพพานได้ก็ต้องบวชแล้วถ้าเราเป็นครวาสอยู่ก็มีภาระกิจธุระมากที่จะทำจิตใจให้สงบพิจารณาเห็นอันใดอยงทุกขังอนัตตาเกิดความปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนถึงนิพพานมันก็ยากสำหรับคารวาสแต่ถ้าว่าเป็นพระมีโอกาสเพราะว่าเรามีหน้าที่อันเดียวเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตัณนการทำมาหาเลี้ยงชีพเรามีแต่ภาวนาถ้าอยากจะได้บุญมากก็มีละบวชละครับผมจะบวชเออเอาบวชจะได้ก็พอบวชคือตามปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีวินยัยท่านบอกว่าก่อนที่จะบวช ห้ามสอนวินัยห้ามสอนเรื่องวินัยหรือศีลให้แก่นาคเรียกพุที่จะเข้ามาบวชนั้นเมื่อบวชแล้วจึงค่อยสอนสอนทำวินัยให้ถ้าภิกษุใดก็าตามสอนวินัยก่อนบวชปรับอบัติทุกกฎคือทําให้เขาท้อแท้อ่อนแอให้เขาบวชซะก่อนจึงค่อยสอนวินัยสอนพิเทศน้อยละน้อยให้มันคุ้นเชื่องต่อหลักทำวินัยแต่ตอ น, นี้พระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้สอนเหมือนกัน่ะ ต่นี้ตะแก่เศรษฐีหนุ่มนกก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วนี่อาจารย์อาจารย์ผู้สอนธรรมสอนธรรมแล้วก็มากันม า, า, มาสอนเออเมื่อเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วให้เราตั้งใจภาวนาเนอะททำจิตใจให้สงบ บ, บริกรรมอย่างนี้พุทโธพุทโธอย่างนี้ได้เมื่อจิตใจภาวนาจิตใจ ภาวนาพุโทโธพุธโทโธจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วให้นำมาพิจารณากรรมฐานห้าเนอ้อเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้แยกแยะดูร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกวันหนึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะดุดตัวไหนมันจะรล น, นลร่างกายเนี่ยผลทีสุดก็ถึงจุดจบคมันนะไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะร่างกายนะ นี่แหละให้เห็นเป็นของไปเที่ยงนะเป็นสุขอนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนี้อาจารย์สอนธรรมะท่านก็สอนต่อมาอาจารย์สอนวินัยเลพอเข้าไปหาอาจารย์สอนวินัยท่านเออเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วนะเจ้าต้องมีศีล น, นะต้องมีวินัยนะถ้าไม่มีศีลไม่มีวินัยในไม่ได้เป็นพระไม่มีศีลไม่มีวินัยเป็นพระอารัชีเนะี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายเป็นพระต้องเป็นผู้มีศีล สินนี่ก็คืออนุสาส์แปดอย่างกิจที่ควรทำอกรัศ尼ยกิจคือกิจไม่ควรทำกิจที่ควรทำมีสี่อย่างกิจที่ไม่ควรทำมีสี่อย่างนะโทษหนักโทษประหารมีอยู่สี่ข้อแล้วก็โทษอนุหรือว่าโทษคลุโทษคือโทษหนักมีอยู่สิบสามสังฆาทิเศษเจากนั้นก็มีทั้งหมดมีอยู่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสินของพระนะ ตามขั้นตอนตลอดถึงการอยู่การฉันตอนฉันเราไปบินทบาทเราจะห่มผ้าให้เรียบร้อยเราจะสำรวมกายวาจาสำรวมกายให้เรียบร้อยเราจะไม่เดินกระโยงเท้าเข้าไปในบ้านเราจะไม่พูดเสียงดังในบ้านเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านเราจะเดินสำรวมกายให้เรียบร้อยไปในบ้าน อันนี้คืออาจารย์ก็สอนจากน้นการฉันนะให้ระวังนะการฉันก็อย่าไปฉันดังจับจับอย่าไปฉันดังฉุดสูดอย่าไปสันเลียมืออย่าไปสันเลี ย, ออยริยมฝีปากอย่าฉันกระทากับพุ้งแก้มให้ตุยอย่าไปฉันพลางสะบัดมือพางเ <c oughs> มื่อคําข้าวอยู่ในปากเราอย่าพูดคืออาจารย์ก็สอนวินัยเนี่ยคือวินัยของพระนะเป็นมารยาศ พวกบวดเข้ามาแล้วต้องมีมารยาทในการเป็นอยู่วินัยก็สอนละเอียดพระใหม่ได้ยินก็งงแล้วโอ้โหตายต่กอนเราเป็นฆราวาสเราอยากจะได้บุญอาจารย์เขาว่าสอนว่าให้ทานเราก็ยินดีให้ทานใจของเราก็เพิ่มปิ่มปีติพอให้รักษาศี 5, ลห้าเราก็รักษาศีลมีความสุขรักษาศีลอโบสดก็มีความสุข แต่พอมาบวชเท่นี่อันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยตายๆ ๆ, ๆเราจะทํารักษาได้ยังไงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีศีล น, นะเราล่วงละเมิดในศีลซะเราไปบินทบาทฉันข้าวกับชาวบ้านของเขาเนี่ยมันก็เป็นบาปเลยทีเดีเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ไม่มีศีลหลอกลวงเขาเนี่ยเป็นเราเป็นผู้ไม่มีศีลมันก็หลอกลวงเขาเนี่ยเราก็ต้องเป็นบาปโอ้ไม่เอาล่ะ ท่านอาจารย์เนี่ยพออยู่มาอีกท่านอาจารย์ครับผมคงจะอยู่ไม่ได้แล้วครับผมอยากจะลาศึกครับนะอ้าวอาจารย์ก็งงทําไมเพิ่งบวชมาใหม่ๆเกิดบวช ด, ด้วยศรัทธาแท้ๆเนะี่ยทําไมอยากจะสึกทําไมล่ะคุณจึงอยจะเจ้าจึงอยากจะสึกโอ้ผมรักษาศินไม่ได้แล้วครับสินสองรอยี่สิบเ็ดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดถ้าผมทําไปผมไม่ระวังนะถ้าผมผิดไปขาดศินสินขาด มันก็ไม่ครบสองร้อยด็สิพระสองร้ยี่สิบเจ็ดถ้าไม่ครบสองร้อยจะว่าสินว่าไงสินขาดสินกะสินด่างสินพลอยสินทะลุมันก็ไม่ดีสำหรับผมและเป็นบาปสำหรับผมอีกผมขอไปรักษาสินห้าเหมือนตะกอนนะครับผมขอลาสิขาอาจารย์ที่ก็งงเหมือนกันเอถ้าว่ากุลระบุรบวชเข้ามาทีหลังนะถ้าเป็นอย่างพระองค์นี่หละเราจะตอบเขาว่าอย่างไร องนั้นก็โอ้ไม่ไหวผมสึกวันนั้โอ้ไม่ไหวผมสึกเพราะว่าธรรมวินัยนี่ไม่ใช่ของเราพระสงฆ์ก็ปรึกษากันเลยแตธรรมวินัยไม่ใช่ของเราเป็นธรรมวินัยของเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นเพราะฉะนั้นเราพาพระองค์นี่แหละไปหาต้นตอคือไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านจะท่านจะสอนยังไงท่านจะมีวิธีอย่างไรถ้าคนอย่างนี้เขามาบวชอย่างนี้แล้วเขาพูดอย่างนี้น่ะท่านจะทํำยังไง พระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยทั้งอุปชาทั้งอาจารย์ก็เลยนําพระใหม่ไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็ถาม เ, าเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าถามว่เาเรื่องอะไรพระองค์นี้นะบวชเข้ามาใหม่สมัยก่อนเขาก็เป็นเศรษฐีบุตรเป็นบุตรของเศรษฐีพ่อแม่พ่อจากไปแล้วก็เขาเป็นผู้รักษาเขาได้สมบัติจากพ่อแม่ก็เป็นขั้นเศรษฐีจากนั้นเขาก็อยากจะได้บุญ ก็ให้เขาทำทานและเขาแบ่งเป็นสมบัติเป็นส่วนๆเขาไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่จกมานะเขาอยากจะได้บุญมากให้เขารักษาศินพระสงฆ์ไล่เลียงให้ฟังจนถึงบวชเขามาแล้วเขาบอกว่าเขารักษาศินไม่ได้เพราะมากเกินไปกลัวจะผิดผิดศินกลัวจะไม่มีสินแล้วจะทำยังไงพระพุทธเจ้าเธอบอกว่ารักษาศิน ศีลมีหลายข้อเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเนี่ยพระใหม่เขาว่าครับผมพระเจ้าค่ะเพราะศีลมีมากเกินไปข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ทั้ง227นนะ่ะจะไปเรียนรู้ได้ยังไงข้าพระองค์จึงขอไปรักษาศีลห้าเป็นครว่าต์อย่างที่เคยทำมาพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอรักษา ข้อเดียวได้ัหมสินอันเดียวรนะักษาอันเดียวได้ไหมโอถ้าหากว่ารักษาอันเดียวนี่ถึงจะยากขนาดไหนข้าบองค์ก็จะรักษาได้ถ้ารักษาอันเดียวเออเอาไม่ต้องรักษามากนะถ้ารักษามากนะมันยุ่งมันยุ่งเยิงมันมากเกินไปให้รักษาอันเดียวนะให้รักษาใจนะให้รักษาใจได้ไหมแนวสิ่งใดก็ตาม ถ้าคิดไปในทางที่ชั่วอย่าไปคิดมันคิดไปทางเบียดเบียนอย่าไปคิดมันคิดไปทางทางที่ไม่ดีอย่าไปคิดมันให้ดูใจให้ดูใจให้ทำใจให้นิ่งให้ทำใจให้สงบไม่ต้องดูจนตลอดเวลาได้ไหมได้ครับเออเอาไปเอารักษาอย่างเดียวไม่ต้องรักษาศีล น, นะครับผมพวกเราฟังดยซี พระพุทธเจ้าฉลาดไหมพระพุทธเจ้าฉลาดไหมสอนคนถ้าว่าดูใจแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใช่ไมอมมโนปุพังคมาธรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้ารักษาใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหะทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจทั้งหมด ถ้าใจของเราไปคิดกายจะไปทําได้อย่างไรไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปพ้นไปยี้เขาได้อย่างไรถ้าใจของเราไม่คิดซะก่อนถ้าใจของเราไม่คิดซะก่อนเราจะไปด่าเขาได้อย่างไรพูดเบียดเบียนพูดคําหยาพูดเพ้อเจอได้อย่างไงถ้าเจและใจไม่คิดซะก่อนถ้าใจของเราไม่คิดซะก่อนเราจะไปดื่มของเหมือนเมาได้อย่างไรถ้าใจเราไม่คิดซะก่อนเราจะเป็นล่วงละเมิดสินและวินัยได้อย่างไรไง รักษาใจอย่างเดียวพอเนะี่ยเพราะนั้นให้พวกเราเข้าใจนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยน่นลงมาหาใจรักษาใจอย่างเดียวเท่านั้นแนะพอจากนั้นท่านก็รักษาใจอย่างเดียวไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ในศาสนาของพระพุทธเจา้านี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่านหลักของพุทธศาสนาเนี่ยให้รักษาใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบก็ น, นั้นแหละร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเนี่เหมือนกับคนขับรถแต่เมื่อเราขับรถไปชนคนเลือไปชนใครอะไรก็ตามใครเป็นคนใครเป็นคนผิดนะรถเป็นคนผิดใช่ไหมเขาจะจับรถเอาไปขังไว้ใช่ไหมไม่ใช่นะ เขาจะต้องเอาเอาโซเฟอรนะอ์ไปเข้าคุกแล้วไปลงโทษตามที่เป็นโทษเจตนาหรือไม่เจตนาเาขาจะต้องดูนี้ก็เหมือนกันนะั่นะใจของเราเนี่ยเหมือนกับโซเฟอรอ์แต่ร่างกายเหมือนกับรถนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านแยกอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทย า, ญญาติยมแยกให้ออกกายกับใจ กายเกิดเหมือนกับเป็นรูปประธรรมส่วนใจนั่นคือนามธรรมอาศัยกายอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านเด็กไปค้นคว้าศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราคณะรัาาตยาธิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดในวันนี้อันนี้คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินนะแล้วกับการเป็นอยู่ของพวกเราถ้าว่าเป็นครวญญาติโยม หลวงพ่อจากจะแนะนำให้พวกเราเคารพทิศทั้งหทิศทั้งหก็คือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านนำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลัง คือสามีภรรยาพวกเราปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะที่เป็นสามีมีสิทธิ์อย่างไรภรรยามีสิทธิ์อย่างไรให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้ถนอมจิตใจซึ่งกันและกันอย่าไปออกนอกลู่นอกทางอันนี้แหละคือความผาสุกในครอบครัวคือทิศ ท, ทั้งหกทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คือเมื่อเราเกิดมาแล้ว พ่อแม่เป็นบุพกาจารย์คนแรกของบุตรธิดาพ่อแม่สอนอย่างไรอันนี้คือบุตรคือเป็นบุพกาจาร์ต่อมาก็คือครูบาอาจารย์สอนที่เป็นครูสอนเราจากนั้นก็สอนถึงมหาวิทยาลัยปริญญาตรีโทเอกตลอดถึงวิชานอกจากนั้นก็วิชาตัดผมวิชาส่อมรถวิชาอะไรต่อไม่อะไรมากมายล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ทั้งนั้น เมื่อเห็นอาจารย์มาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมภ์ด้วยเรียนศิลปวิทยากับอาจารย์สรุปแล้วคือให้ความเคารพในอาจารย์อันนี้คือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายมิตรสหายพวกเราควรที่ให้ความสําคัญคนเราถ้าเกิดมาแล้วไม่มีกัญญาณมิตรไม่มีกัญยาณมิตรที่ดีพวกเราจะ พัฒนาหรือว่าจะทำมาค้าขายจะไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ตามลําพังไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ต้องมีมิตรสหายที่ดีต้องมีกัลยาณมิตรต้องแบ่งผลประโยชน์ให้แก่มิตรสหายอย่าไปหักหน้าหักหลังอย่าไปโกงอย่าไปกินเขา เ, เพื่อนมิตรให้ชื่อสัตย์สุจริตต่อมิตรสหาย กิจการของเราก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่มีเป็นปาประมิตรมิตรที่ไม่ดีนีเ่เราก็ไม่ดีมิตรก็ไม่ดีอย่าหวังเลยกิจการของเราจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไปได้อันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่ำนี่คนใช้คนงานคนบริวารของพวกเราคนงานของพวกเราถ้าเราเป็นเจ้านายของเขาเราก็แบ่งผลประโยชน์ให้กับลูกน้องของเขาให้เงินเดือน ดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาอย่านิ่งดูดายในขณะที่ลูกน้องเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขามาอาศัยเราเราก็ให้เงินเดือนเขาตามหน้าที่การงานในถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลกิจการของเราดีกิจการของเราก็จะเริญนรุ่งเรืองเราก็ผาสุขเพราะมีบริวารดีมีลูกน้องดีอันนี้คือทิศเพื้องต่าคือบ่าคนใช้คนงาน ทิศเบื้องบนส ม, มณะพรามพวกส ม, มณะพรามก็คืออย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์เนี่ยแนะนําลูกหลานคณะสัตย า, าติโยมว่าอย่าทำอย่างนั้นนะมันผิดไม่ดีนะสัตยาญาติโยมควรจะทําอย่างนี้ความปฏิบัติตนอย่างนี้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถให้พวกเราแยกแยะดูให้ดีถ้าเราพยายามแยก แยกแยะดูให้ดีตามธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพวกเราจะเห็นได้ด้วยตนเอง น, นี่แหละอันนี้คือสัมมณะพราหมณ์แนะนําไปในทางที่ถูกต้องแนะนําไปในหลักเหตุผลสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทํานะคณะศรัทธาญาติยาโยมลูกหลานนะอ น, นี่คือสัมาภณะพราหมณ์เป็นผู้บอกกล่าพรานั้นขอให้พวกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องในทิศทั้งหต่อทิศทั้งหทิศเบื้องหน้ามารดาบิดา ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังบุตรอสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําบ่าวคนรับใช้คนงานทิศเบื้องบนสมณะเปล่าเพราะฉะนั้นขอพวกเราคณะทศไทยญาติโยมปฏิบัติถูก ในต่อทิศทั้งหกแล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราจะราบรื่นจะเป็นไปด้วยความผาสุกแต่พวกเราปฏิบัติตนไม่ถูกแล้วปฏิบัติต่อทิศทั้งหกไม่ถูกอย่าหวังเลยความสงบสุขจะเกิดขึ้นกับตัวพวกท่านอยู่กับพ่อเขาแม่กัทะเลาะพ่อแม่พ่อแม่ก็ไล่ออกจากกองมรดกอยู่กับภรรยาก็ไม่รู้จักหน้าที่หสามีภรรยาไม่จุกไม่รู้จักหน้าที่คนตนเอง ออยู่กับอาจารย์ก็แข็งทื่อไม่รู้จักเคารพอาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้อย่างไรอยู่กับอยู่กับมิตรสหายก็โกงเขาคดโกงเขาเอาไม่มีสัจจะในหมู่พวกเพื่อนอยู่กับลูกน้องเอาลัดเอาเปรียบเา้าไปส ม, มณพราหมณ์กันพะอไปถึงนั่นเอออวดความรูต้ต่อเองต่อสมณพราหมณ์หรือต่างหาส ม, มณพราหมณ์จะสอนเราได้อย่างไร พอเราไม่ได้ไปเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นเรารู้จักในการเข้าไปหาปฏิบัติตนให้ถูกต้องในสิ่งเหล่านั้นชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่และก็พร้อมกันพวกเราเป็นสิทธิารุสิทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายเป็นสายหลวงปู่มั่นให้พวกเรามั่นใจ หลวงพ่อบอกว่าให้พวกเรามั่นใจในปฏิปทาของพ่อแม่ปูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้ยกว่าหลวงปู่มั่นดีเลิศประเสริฐกว่าทุกอาจารย์ทุกคณาจารย์ไม่ใช่คือหลวงปู่มั่นเป็นทางเลือกทางหนึ่งสายนี้สายหลวงปู่มั่นเป็นทางเลือกสายหนึ่งเพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างสี่สิบกรรมฐานและยังมากกว่านั้นอีก แต่หลวงปู่มั่นท่านหยิบเอากรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกคืออาณาปานสติและกำหนดลมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทอันนี้คือกรรมฐานของสายหลวงปู่มั่นแต่กรรมฐานสายอื่นพวกเราก็ได้ยินยุบนอพองน้อบ้างมนโนมายติกกำหนดตูวใจของตอนเองบัางแล้วกัการเคลื่อนไหวของร่างกายบัางแล้วก็มีหลายๆอย่าง แต่ว่ากรรมฐานของพุทธายามีหลายอย่างอีกเหมือนกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบพุทธานุสติธรรมมาสีลาจากาเทวตามรณะนุสติแต่หลวงปู่มั่นของเราท่านเอากรรมฐานให้ลูกศิษย์ของท่านอย่างพวกเราท่านตั้งหลายอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันจะเป็นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงตาหลวงปู่ล่าก็ตามท่านก็ยึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นสอน พวกลงปูมั่นบอกว่าให้ภาวนานะกำหนดลมหายใจเข้าวิกรรมว่าพธหายใจออกวิกรรมว่าโธนะแต่นี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบการทำคำสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โครนต้มโพที่พุทธกยาประเทศอินเดียคืนวันที่ท่านได้ตัดสรุนั้นท่านทำอย่างไรท่านก็นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าตอนยังพระอาทิตย์ยังไม่อัดฉดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในช่วงนั้นคงจะมีแสงเลือยแสงสว่างยังมีอยู่พระองค์ก็กําหนดนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่ท่านไม่ได้กบริกรรมว่าพุทธโธนะแต่เพียงแต่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของใจของพระองค์ ่ความรู้สึกของพระองค์พระฏัยของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละเกิดยานรัศน์เกิดฌานขึ้นมาเรียกว่าปุเพเนวาสานุสติญาลำลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าตายแล้วเกิดชาติเดียวไม่ใช่นะคณะสัตยาติโยมนะท่านมองเห็นยาวเย็ดเลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาจากที่ไหนวันนี้ ามาจากภูเก็ตออมาจากพังงามาจากเชียงใหม่เ อ, อ่อมาจากสกลนครมาจากที่ไหนไหนเราก็รู้แก่ใจว่าเรามาจากไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนาในวันเดือนหกเพต น, นั้นพอพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพระองค์คลำลึกนึกย้อนรัวปุบเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพอพระองค์ดูพระองค์เองแล้ว พระ อ, องค์ก็ดูคนอื่นเถอจุตูปะ ป, ะปะาแต่ยานการจติของสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเรามานั่งกันนี่เป็นร้อยเป็นพันเลยมาจากไหนมาเกิดพระ อ, องค์ก็จะมองดูจะรู้ได้ว่าคนนี้จากไหนมาเกิดมาจากไหนทําไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันความร่ํารวยก็ไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันเพอเพอวเอวัยวะ อย่างพิกงพิการอีกไม่เหมือนกันอย่างสติปัญญาไม่เหมือนกันยังเป็นบ้าบออีกต่างหากทําไมมาเกิดทําไมเป็นอย่างนี้พระพุทองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทําเขาทํากรรมอย่างนั้นไว้เขาจึงมาเกิดอย่างนี้ถ้าหาว่าต่อไปภายภาคหน้าเขาเกิดเขาสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นไปกรรมเก่าของเขาก็ค่อยเจือจางหายไปทีละน้อยละน้อยผลในสุดเขาก็หมดกรรมถ้าเขาทําบุญก็เหมือนกัน เขาทำรวยมันในภพนี้ชาตินี้เขาล่ำรวยแต่เอาเถอะแต่เขาไม่ทำบุญต่อบุญของเขาก็หมดเหมือนกันต่อไปนี่ก็หมดบุญเพราะเขาไม่ทำต่อบุญและบาปหมดได้ถ้าว่าเราทำดีดีก็ต่อกันไปเรื่อยๆถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ต่อไปเรื่อยๆ อ, อีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงว่ากรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าคนทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะติดตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปทํากรรมที่ไม่ดีกรรมชั่วอย่าทำจะเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วนะั้นจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอั น, นี่แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนพอจวนสว่าง ท่านเ็าได้ตัดสรุ้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้ว่าพิจารณาใจของท่านใจที่มาจากไหนตัวไหนที่พาให้เวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะพระพุทธองค์ก็ใช้ตปัตธรรมคือสินสมาธิปัญญาเผากิเลสจุดนั้นจิตใจพระไทยขององค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหเพ น, นั้นอันนี้ก็คือแนวแถวของพระพุทธเจ้า แต่ได้มาพูดถึงแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือหลวงปู่มัน่นท่านก็แนะนำสั่งสอนสิกยานุสิทธิ์ทั้งหลายให้ภาวนานะแต่กาหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันหลุดได้นะเออมันหลุดได้เออมันหลุดเร็วเพราะนั้นให้บริกรรมพดโธด้วยหายใจเข้าพดหายใจออกโธนะนี่ให้บริกรรมด้วยนะแต่ก่อนพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัทา ย, ยาญาติโยมทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ไม่จะบอกว่าให้ภาวนาพุโทโธนะเพียงแค่นี้แต่หลวงพ่อแนะนำเพราะหลวงพ่อเนี่ยเอบวชเป็นสมมเณีครูบาอาจารย์แนะนําตั้งแต่กอไก่เขียนอย่างไรเขียนอย่างไงทำอย่างไงท่านสอนแต่ท่านบอกให้ไหว้พระเน้อตอนเย็นมาเนี่ยเห็นพระพุทธรูปเออแล้วก็ได้แล้ ว, ว่าที่นอนของเราก็ได้เรานึกในใจไม่ต้องไหว้ไม่ต้องระลึกถึงเ อ, อ ไม่มีต้องมามีพุทธโลกก็ได้แต่หัวนอนของเราเราไหว้ไปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกหัวและแห่งที่เราลำดึกถึงเพราะฉะนั้นเราจึงกราบพระสก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆหลวงปู่ลาท่านยังบอกให้นิพพานังด้วยนะพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังนี่นิพพานังก็คืออะไรคือข้าพรเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเปื้นเล่น กาเพื่อหวังนิพพานเพื่อหวังพระนิพพานในใจย่จวกกาวะพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพา น, นังจากนักระลาหังสวาคาโตสุปฏิปโนตามที่เราจะไหว้ตามที่เราเคยได้ท่องมาเราจําได้ยังไงเราก็สวดอย่างนั้นจากนั้นเราก็แผ่เมตตาท่านว่านะแผ่เมตตาอาหารสุกิตโตไม่นิทุขโขไม่แล้ว เ, เ, เราจะสวดสวดยอดประกัน กฎพระกันไตรปิฎกจะสวดอะไรก็ได้แต่สวดแผแ่เมตตาก็ได้แต่เราไม่รู้ความหมายให้เรารู้ความหมายกันให้ตั้งจิตแน่วแน่สํารวมใจของเราให้เป็นหนึ่งเราก็นึกว่าข้าพเจ้าขอเมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอแผแ่เมตตาให้ต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณ คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาขาญาติญาติมิตรสหายทั้งอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันหรือทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุต้องการความสุขอย่างไรข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นฉัตอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณด้วยเทิดอันนี้คือการแผ่เมตตารวบ คนที่มีเมตตาในจิตใจไปนสถานที่ใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยจะไม่มีเวรจะไม่จองเวรกับใครๆมีแต่ให้อภัยต่อคู่คนทั้งหลายถึงเขาจะดุด่าว่ากาวอย่างไรเราก็ให้อภัยกับเขา เ, เวรภัยทั้งหลายก็จะไม่เกิดแต่สำหรับถ้าว่าคนในข้าตามไปที่ไหนมีแต่เป็นดา่าไปจองเวรจองร่างจองผานกับเขาเคนคนนั้นจะไปที่ไหนมีแต่พิษตภัย เมื่อเขาเมื่อเราไปด่าเขาเขาก็คิดด่าเราเหมือนกัน เ, เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ไปด่าเขาอย่างนี้เขาก็เป็นผู้น้อยถึงเขาด่าออกปากไม่ได้เขาก็ด่าในใจเฮเมื่อเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็คิดจะฆ่าเราอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้าเรามีเมตตากับเขาทุกคนทุกวิญญาณทุกวิญญาณก็จะมีเมตตากับพวกเรานี่แหละอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเพราะนั้นขอให้พวกเร า, เาปฏิบัต อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าลหังสวาคะโตสุปฏิปโนจากนั้นก็นั่งสมาธิเนี่ยนั่งขจมาต์นั่งกระสภามิเหมือนพระประธานเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบเมื่อเราไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามือลงจากนั้นกับบริกรรมหายใจเข้าพุท หายใจออกโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถนี่แหละคือกรรมาฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าสมัยก่อนหน้านั้นท่านภาวนามีแต่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของท่านมันหลุดออกมันหลงมันเผลอไปได้ง่ายจากนั้นเมื่อท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปูมงป่มั่นสอนหลวงตาก็บอกว่าตั้งแต่เราได้รับ คำสอนจากหลวงปู่มันเราก็ภาวนาหายใจเข้าพดหายใจออกโธเวลาเราเดินขาขวาพดขาซ้ายโธเวลาเราปัดกวาดลานวัดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถเรามีทุกเรามีสติสัมปชัญญะในทุกอริยบทแต่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาหนักมากท่านบังคับใจให้อยู่กับตัวเองหนักมาก แค่นนพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้การบังคับจิตไม่ใช่ธรรมดาแต่ท่านบอกว่าวันสองสามวันแรกหนักพอวันที่สี่ที่ห้าไปแล้วอือเบาๆบเบาสบ า, บ า, สายจิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนรู้จักจนประกาศในใจของตนเองว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใจของเราจะไม่เสื่อมอีกแล้วจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอไปนะอันนี้ก็คือใจที่องค์หลวงตาได้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าง ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาตามแนวแถวหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นขอให้พวกเราเดินตามสายนี้สายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ภาวนานหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่ากรรมาฐานานาปานสติ พราะพร้อมกับลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกรรมฐานเกือบถูกกับทุกจริตท่านว่ายืนอย่านะเกือบทุกจริตไม่ใช่ทุกจริตนะเกือบทุกจริตน ะ, ะบางท่านบางคนอาจจะมีจริตอีกแบบแตกต่างนะแต่ถึงอย่างไรพวกเราให้ปฏิบัติให้ยึดแต่ไม่ใช่ว่ากูบาอาจารย์องค์หนึ่งมาแนะนําเราก็ไปอย่างหนึง่งพอองค์หนึ่งมาแนะนําไปอย่างหนึง่งผลที่สุดก็เลย ไม่แน่นหนามั่นคงเหมือนกับเราปลูกต้นไม้พอเขาบอกว่าปลูกใส่ตรงนั้นสิเราก็ย้ายไปปลูกคนหนึ่งมาอีกปลูกย้ายไปตรงนั้นสิวันหนึ่งปลูกย้ายมาแล้วกี่ครั้งเราคิดดูให้ดีเะต้ตนไม้ต้นนั้นจะใหญ่ได้ไหมใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มั่นคงเราปลูกแล้วก็เราต้องรักษาอะไรอรักษาจะให้ต้นไม้คุมต้องใส่น้ำใส่ปุย๋ย ให้แดดพอล่ำไลเมื่อมันต้นเล็กเมื่อต้นใหญ่ขึ้นไปแล้วก็เรารักษายัางไงถ้าเรารักษาแล้วต้นไม้ก็จเจริญ ง, งอกเงยจะนั่นก็เป็นหมากเป็นผลให้แก่พวกเราได้รับทานตามที่ต้นไม้ต้นนั้นจะให้ผลนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราให้มั่นใจแล้วก็ปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพาดำเนินพวกหลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกเราเดินมาถูกทางแล้ว ทำไมจึงเดินเดินถูกทางพวกเราเห็นไหมหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราองค์ไหนที่ท่านล่วงลับดับขันไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้กราบได้ไวาคําว่ากระดูกกลายเป็นพระาธาตุนั้นคืออะไรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือกระดูกพระพระอรหรันต กระดูกของพระอรหันต์เท่านั้นที่จะกลายเป็นพระาธาตุได้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นศิษย์ญาติศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเหล่านั้นเราก็ให้มั่นใจว่าเราเดินตามแนวแถวของพระอระหันต์ท่านจ ต, ตินิรพานไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชาเพราะฉะนั้นพวกเราจรึงนับว่าเป็นผู้โชคดีมากที่เกิดมาในยุคนีสมัยนี้ยังทันเห็นพระอระหรันต์ แต่ตัวรูปร่างกางตัวของท่านนั้นก็เหมือนเป็นคนทั่วๆไปแต่ใจของท่านนั้นเป็นพระอารหันต์เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมใน จ, ใจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราที่ได้เกิดมาพบในชาตินี้ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก็ขอให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติตามให้มั่นใจว่าที่พวกเรา ยออังมีความสงสัยว่าตายและเกิดหรือตายและสูญหน้าให้พวกเรานั่งภาวนานะให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถแต่ใจเท่านั้นแ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของกายเราเกิดมาแล้ว ร่างกายของเราเป็นมาอย่างไรเราปรับปรุงได้ยากปรับปรุงใดนนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่จิตใจของเราเนี่ยปรับปรุงได้เราจะจะให้โง่ก็ได้จะให้เป็นเป็นคนฉลาดก็ได้จะให้เป็นนักเลงโตก็ได้จะให้เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ได้เพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างคุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าโลกในโลกหาได้พวกฟังพวกเราิโลกในโลกหาได้ หาดีใส่ตัวเองก็ได้หาช่วยใส่ตนเองก็ได้หาโรกหาสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้หานิพพานความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดใส่ตนเองก็ได้พวกเราคิดดูให้ดีที่ว่าคุณแม่พูดเพียงคำว่าโลกนี้โลกหาได้ เ, เพียงคําเดียวเท่านั้นะพวกเราพิจารณาดูแล้วจริงอย่างที่คุณแม่พูดคุณแม่ชี้แก้วพูด โลกนี้โลกหาได้จริงๆหาดีหาชั่วกับใส่ตนเองได้ทั้งหมดเพราะนั้นเราพบ พ, บพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหาทำไมหาสิ่งที่ไม่ดีใส่ตนเองต้องคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นนะและ ก, การพูดการแสดงทำกล่าวสมุทนนิยกถานในวันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับพวกเราเพื่อการศึกษาหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ เรื่องความเป็นมาอยากจะได้บุญทำยังไงจึงจะได้บุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็บวชรักษาศีล2องยยีพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจเป็นเรื่องที่ใหญ่รักษาใจอย่างเดียวชนะพอจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เนตบอกกล่าวเรื่องวิธีการปฏิบัติตนเองแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น แล้วก็เปรียบเทียบเกือบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพนั่นแนะหกปีนะ่ะท่านทํำยังไงคืนที่ท่านได้ตัตรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเปรียบเทียบกับกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเพิ่มขอ้ออิให้ภาวนาบริกรรมพุทโธไงเพิ่มข้ออีกเงินส่วนหนึ่งแต่พระพุ ท, ทเธเจ้าแทนพี่แต่ว่ากําหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้า หายใจออกรัวว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเพิ่มพุทธโธเข้าไปอีกเพื่อให้หนักแน่นเข้าไปอีกนะีอันนี้เขาขอให้พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วพวกเราเข้าวัดตายและเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่า โอตุสัพ บ, บังสุมังคลังรักขันตุสับปเทวตาสัพพุทธาสัพธรรมาสัพสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังคือคํานี้แปลเป็นเนื้อความว่าขอสิ่งมงคลทั้งหลายขอสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายในไตรโล ก, กธาตุขอเทพพ ย, ยดาจงรักษาพวกเราท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอาจารย์พ่อครูของเราเนี่ยนะหลวงพ่อจิรวัตรขอเทพเจ้าเราเทวารักษาขอให้หลวงพ่อของเรามีอายุยืนนานเป็นล่มโพล่มใสของลูกของลานของพวกเราพวกเราก็จะได้มาบ่มเพนฟังธรรมเทศนากับองค์ขององค์ท่านนะขออนุภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุภาพพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อนุภาพพระสงฆ์อริยสาวกสาวกทั้งหลายคุ้มครองรักษาขอความสุขสวัสดีจงมีโดยสม่ำเสมอตลอดการทุกเมื่ อ, อด้วยเทิน